พระธรรมเทศนาแผนที่109าลำดับที่1 9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดบุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าหน้าที่ผู้มาบวชหน้าที่ผู้ยังไม่ได้บวชเอาข่าวก่อนนะหลกหลานเนอะ ห่วหน่าจิตพูดพวอหน่ำฆร า, าวะก่อนยังคอยมีอย่างคอยวากันที่หลังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห คณะ ส, สงน้องนุงทั้งไลยตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกคู่ทุกคนได้มาการาบคารวะครูบาอาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแต่วันนี้ก็ได้มาถึงวัดหลวงพ่อในพรรษานีพ่พวกเราคงไปหลายวัดแล้วนะแต่คราวนี้มาถึงวัดหลวงพ่อ มาการาบคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราท่านทางหลายน้องนุ่งทางหลายศรัทธาญาติโยมท้งหลายได้ประมาทผัดพังหลวงพ่อด้วยกายวาจาใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกท่านขอให้พวกเราทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอหหังขมามิตุมเหหิปิเมขมามิตับบังอบเอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเบปะมะชิตวาปัทซาโซนปะมะสติโซมังโลกังประพาเซตีอภาโมโตโตวัจันทีมาอภิวาทานาีลิสนจังวุฒาปจายโน จัตตาโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังพาลังอันนี้หลวงพ่ออ่านที่คณะชีน้องสาวของหลวงพ่อเรื่องพวกเราคงจะรู้นะ้หลวงพ่อเรืองป่วยตันไปดูโรงพยาบาล สีนครินนะลูกหลานท่านก็หมอเขาบอกว่าเขาจะจะให้อะไรเคมงเคโมคงจะได้ใช้ จ, ใจิตวิญญาณน้องชายของหลวงพ่อเรืองคือท่านพระอาจารย์เทืองแต่ผู้พี่ชายนะอาจารย์เทืองเนี่ยเป็นพี่ชายแต่บวชที่หลังน้องชายอาจารย์เรืองเนี่ย อยูุ่ปเปล่าอาจารย์เทืองอยู่บันกล้องบานโวลแสงทองอะไรแต่พันศา30กว่าทั้งโคูแล้วนะเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วแต่ท่านปีนี้ท่านป่วยเราไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแกน่นจากนั้นโรงพยาบาลศรีนครินเขาก็รักษาแล้วเขาได้ส่งมาที่อุดร คุพอเขาตรวจ ด, ดูแล้วว่าเป็นอะไรรู้จักแล้วนะอุดรรักษาได้ที่นี่แต่ตอนใหม่ๆการที่จะตรวจรักษาฟีเคราะห์มันต้องเข้าโรงพยาบาลศีนขรินกรแต่ในศีนขรินเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะเขก็เลยส่งมาที่อุดรคงจะมารักษาที่อุดรของเราเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในเขตอุดร น, นะจะจะต้องใช้ใช้จะตุกปัจจัยพอสมควรท่าน อาจารย์เรืองอาจารย์เทืองผู้เป็นพี่ชายนะมาพูดกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อเออเอาไปเป็นไรไอ้พูดพูดกับพวกน้องๆพวกหมู่เพื่อนศรัทธาญาติโยมดูผู้มีผู้ใดมีศรัทธาที่จะรักษาพระป่วยที่จะให้เคโมนี่นะตัวนี้ะ เ, เป็นหลายเงินโยถ้าหากว่ามีผู้มีศรัทธาแล้วก็เออเอาช่วยๆกันเด้เออ และถามว่ามันยังขาดเหลือเท่าไหร่มาบอกมาหลวงพ่อจะเป็นแบกหลังให้หลวงพ่อก็ประวรตนาอย่างนั้นลูกหลานเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยไข้ไข่เขไม่พึงปราถนาไม่ปราถนาจะได้เจ็บป่วยแต่ว่าหมอเขาว่าจะทำยังไงจึงจะหายได้พวกเราก็ช่วยๆกันหลวงพ่อก็บอกว่านี่แหละการดูแลพระป่วยท่านอยู่ในปา่าดงพงภยัย บวชมาทั้ง30กว่าปีท่านภาวนาปฏิบัติของท่านอยู่ในศีลในธรรมต่างอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่แต่เจ็บไข้ได้ป่วยนีอย่างนี้แหละถ้าว่าผู้ใดได้ทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วย เ, เราได้ช่วยรักษาพยาบาลท่านเน่ยเป็นเป็นผู้มีอเนกสงฆ์มากนะนยอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสกล่าวเอาไว้ว่าพระติดสะป่วย ถ้าว่าผู้ใดได้ดูแลปนิบัติพระภิกษุไขเป็นผู้มีศีลสงศิ์เหมือนเหมือนกับปฏิบัติเราตถาคตถ้าราผู้ใดอยากจะได้ปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไขที่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้ทรงศิล น, นี่แหละท่านพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้เนะ่คงจะไม่เป็นสองนะคงจะเป็นหนึ่ง พ, พระบคพรพุทธอง์ตรัสอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติเพกสุขใหนะ้นี่แหละอ่นนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหะบอกกล่าวแต่ไม่มีปัญหาหรมั้งเต็นี้ก็ช่วยๆกันหลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวว่าเกือบจะพอแล้วล่ะนี่แต่ว่าจะมีอะไรอีกหลวงพ่อก็ยังไ่ทราบอีกหลายละเอียดมากกว่านี้นะ แต่ก็เป็นที่อุดใจในระดับหนึ่งที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ยินหนังสือให้หลวงพอ่อคือมาให้หลวงพ่อหนักใจพูดง่ายๆหลวงพ่อก็เบาใจขึ้นมาแล้แต่หลวงพ่อหนักใจไหมหลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจเพราะหลวงพ่อพร้อมที่จะช่วยเป็นแบกให้สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ที่อื่นหลวงพ่อก็ช่วยมามามากต่อมากทําไมจึงไม่ให้พระเนนลูกหลานน้องนุ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อหน้าต่อตาได้หลวงพ่อไม่ได้คิดไกลนะ ถ้ามันมีเอาเทเข้าไปเลยให้เพียงพอสําหรับดูแลพระน้องหนุง่งทางหลายเก็บไข้ได้ป่วยมีความจําเป็นนะทำให้จาเป็นเออเอาต่างคนต่างอยู่เนอะต่างคนต่างภาวนาของไข้ของเราต่างคนต่างรักษาธาตุขังธาตุธาตุขันร่างกายของไข้ของเราเนอะร์ให้ตรงอกตั้งใจภาวนาเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะอีกสักวันหนึ่งนะ่ะจะต้องเจอแน่นอน ทำพูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้พูดให้ใครผู้ดใดใครผู้อื่นพูดให้หลวงพ่อด้วยเหมือนกันหลวงพ่อจะต้องเจอแน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะอันนี้พูดให้ลูกหลานได้ฟังนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2560ันอวันนี้เห็นมาหลายวัดนะมีวัดภูทองมีวัด ทำคลองมีวัดหลวงพ่อเล็กมองมองดูนี่หลายวัดทีเดียวลูกหลานน้องหนุ่งทางหลายได้พาคณะจต่าญาติโยมม า, ากราบคารวะตามประเพณีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ ก, ดกล่าวเบื้องต้นนะ อ, อันนี้ก็เเป็นประเพณีอันดีงามแต่ถึงอย่างไงก็ตามพวกเรานานทีปีหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้นะอพอมาเจอกันแล้วหงลวงพ่อก็อยากจะย้ํากล่าว ให้กับพวกเราคณะจททายาิโยมพระสงฆ์น้องนุ่งทางหลายถึงยังไงยังไงพวกเราเป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนี้อยู่ในช่วงนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายข่าวต่างๆเรื่องต่างๆของพระสงฆ์พวกเราก็ได้ยินไม่ได้ขาดสายผู้จะโจมตีก็มีผู้จะทำร้ายรุดเล็ดรอนก็มีผู้ที่จะส่งเสริมเชิดชูบูชาก็มีแต่ถึงยังไงก็ตาม พวกเราก็ไม่ต้องตรนก ต, ต, ต, ต, ตกใจเพราะว่าถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจอยู่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ท่านตรัสไ้แล้วว่าผู้ที่จะทำลายศาสนาจะทำให้เจริญหรือเสื่อมไม่มีใครนอกจากพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4คือใครทางฝ่ายพระทุกวันนี่คือสมัยก่อนคืบว่าภิกษุภิกษุณีและก็อุอบาสกอุบาสิกา แต่ทุกวันนี้ภิกษุนีหมดไปท่านก็เลยจัดให้เอาสัมมเนนเข้ามาแทนภิกษุสัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่นี่แหละที่จะทําให้าศาสนาของเราตถาคตเจริญหรือทําให้าศาสนาเราตถาคตเสื่อมถ้าว่าคนกลุ่มอื่นเข้ามาทําร้ายทําลายอย่างไรแต่พวกเรายังจับมือกันแน่นแล้วกับพระอยู่ใน อยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราถึงยังไงก็คำว่าเสื่อมฉลายไม่มีแน่แต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีการแตกสมัครคีกั น, กกนในพธบริษัทมีแต่เห็นความเห็นแย้งกันไม่ไปแนวแถวเดียวกันคือไม่ได้มุ่งมั่นมุ่งหวังต่อัดต่อทไม่ได้มุ่งหวงหวังต่อ การชําระกิเลตมีแต่สสแสวงหาลาบยศสรรเสริญาภายนอกถ้าว่าพวกเราสสแสวงหาอย่างนั้นแล้วการที่จะทะเลาะเบาแววงกันการที่จะห้ำหั่นกันหรือก า, การที่จะแตกแยกสามัคคีกันมันได้ง่ายงาย่แต่ถ้าว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม อยากจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทั้งหลายไม่มีปัญหาอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกพระเน น, น้องนงทั้งหลายให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทําอะไรค่อยคิดใ ห, ให้รอบให้รอบคอบอย่าไปคิดออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางที่จะที่ที่เขาจะทําทร้ายทําลายเรื่องเขาจะเอามาโจมตีเราได้ให้มอง ให้มองกันให้ดูกันดูแลกันสิ่งไหนที่มันจะทำให้เสียหายาต่อวงการพระสงฆ์ลงวงการของพระของเราเราก็นีให้ช่วยกันปกป้องให้ช่วยกันคุ้มของคุ้มกันนี่แหละไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าหลักพระธรรมวินยัยถ้าพวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วนะอะไรจะเข้ามาเข้ามาไปได้หรอกเพราะว่าเรื่องทั้งหลายถึงลลกโล ก, โลกทั้งหลายนะ เรื่องกฎหมายก็ดีกฎหมู่ก็ดีที่เขาจะโจมตีอย่างอื่นจงเข้ามาไม่ได้แจ้งเข้ามาไม่ได้ถ้าพวกเราอยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยอยู่ในกฎกติกาของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกน้องหนุ่งทางหลายนะ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องที่มันจะเสียหายและก็พร้อมกันศรัทธาญาติโยงกองเมือนกันให้การสนับสนุนต่อครูบาอาจารย์ ถ้าว่าพวกเราช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาจากนั้นบุญกุศลทั้งหลายก็จะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวว่าพวกเราพุทธบริษัทสี่พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนช้างแต่เป็นเปียกเหมือนช้างกับเหมือนช้างขาหน้าเท้าหน้าแต่เป็นพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกับช้างเท้าหลัง ช้างเท้าหลังกับช้างเท้าหน้าต้องไปด้วยกันแต่หากว่าช้างเท้าหน้าเป็นผู้มาอยู่วงในเป็นผู้รักษาธรรมพระธรรมวินยัยมีอะไรรู้เห็นอะไรก็ชี้แจงให้กับอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้อยู่เป็นช้างเท้าหลังแต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์ที่เป็นช้างเท้าหน้าเดินผิดที่ผิดทางเดินไปนลงเหวหลงบอ่อ โดนเดินไปหลงหน้าผาช้างเท้าหลังก็เดินไปตามมันก็ตกไปด้วยกันเสียหายไปด้วยกันเพราะฉนั้นช้างเท้าหน้าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าว่าช้างเท้าหน้าดีเดินไปแต่ช้าทางช้างเท้าหลังหักขาหักนะขาลากนะใช้การไม่ได้มีแต่ช้างเท้าหน้าเดินตะกุยตะกายตะกุยตะกายไปไม่หลอดไปไม่หลอดเหมือนกัน แต่ถ้าว่าช้างเท้าหน้าขาหักขาทั้งหน้าหักขาขาดมีแต่ช้างเท้าขาหลังดีจะไปที่ไรจะขยงไปเรื่อยพอช้างเท้านักขาขาดนั่นก็ไปไม่กี่น้ำอีกเหมือนกันไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นทั้งทั้งสี่อย่างคืออุบาศกอุบาสิกาเป็นช้างเท้าหลังก็สนับสนุนพระสงฆ์องค์้าเจ้าก็เป็นช้างช้างเท้าหน้า เห็นหลักธรรมวินัยอย่างไรอยู่ในหลักพระธรรมวินัยรู้อัดรู้ทำยังไงเห็นศีลเถนธรรมยังไงกระบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนผู้ อ, อยู่เป็นครวัตญาติโยมอันนี้แหละคือการอยู่ด้วยกันในพุทธบริษัทสี่ทำพุทธบริษัทสี่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราเนี่แหละมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกเนอะธรรมชาญาตโยมพระเนน้องนุ่งทั้งหลายเนอะ นี่แให้มีความเกื้อกูลหนุนกันพวกเราเป็นพระคนนี้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาแต่จิตทายาทโยมเออเอาสนุ ป, ปนัมรงพระพุทธศาสนาให้ทานด้วยมารักษาศีลด้วยและกับปณิบัติโดยเพราะเราบวชไม่ได้ถ้าเราบวชบวได้ก็ดีนะเพราะวัดทุกวันหาพระจะอยู่ก็รู้สึกว่าจะน้อยอยังว่างอยู่มากนะ แต่ทางที่ว่าบอกพระเนี่ยไม่ได้ทำงานําการอะไรแต่หาศรัทธาญาติโยมเข้ามาบวชบวชเขามาที่ไรก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรการบวชมันไม่ใช่ธรรมด า, าถ้าบวชถ้าเราคิดว่าบวชไปอยู่ในวัดเฉยๆไม่มีอะไรถ้าเราคิดได้เพียงแค่นั้นกว่าโง่มากนะโง่มากเพราะว่าคิดยังไม่ทะลุนะแต่ตามไม่จริงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ย มันไม่ใช่ว่าเขามาบวชอยู่เฉยๆนะามาสู้กับสัญญาอารมณ์สู้กับความนึกคิดของตนเองในเวลานี้เราคิดอะไรเรานึกอะไรถ้าคิดออกนอกลูกนอกทางอันนั้นแปลว่าไม่ใช่พระแล้วแปลว่าเราบวชเข้ามาได้แต่อยู่ในฟอร์มมีแต่ศีรษะโลนกับผ้าเหลืองเท่านั้นเองแต่ใจของเราออกนอกลูกนอกทางนู่นอยู่ในโลกวัตะสงสารอันนั้นไม่ใช่พระนะ มีแต่ยูนิฟอร์มได้แต่ยูนิฟอร์มเท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้ใจเป็นพระนะี่รทำยังไงให้ใจอยู่ในศีลด้ธรรมอยู่ในกรอบวันนี้เราบินธบาตมาแล้วเรามาฉันแล้วก่อนที่จะฉันก็พิจารณาอีกว่าเราฉันอาหารอยู่ในบาทของเราเนี่ยเราฉันเพื่ออะไรเราไม่ได้ฉันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอ้วนพียเป็นนักกล่มนักมวยไม่ใช่นะ เราทานอาหารฉันอาหารเพื่อพยุงให้เป็นไปได้อย่างส ม, มณะอย่างพร ะ, ะเราเหมือนกับต้นไม้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ปุย๋ยไม่ใส่น้ำต้นไม้ต้นนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่มันขาดปุย๋ยขาดน้ำแต่ว่าเมื่อเราใส่ปุย๋ยใส่น้ำเข้าไปแล้วร่างกายก็อยู่ได้นี่แหละที่เราทานอาหารอยู่ทานอาหารเพื่อให้อยู่ได้ แต่เมื่ออยู่ได้แล้วเราจะพิจารณาอะไรถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงอาหารดิบดีอิ่มมีพีมันขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกายนี่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายในที่สุดนะเอนี้ก็คือกรรมฐานนะถเราเราชั้นอาหารชั้นอาหารอย่างพระนะในเมื่อชั้นอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเก็บบริการแล้ว ขึ้นมากุฏิเดินโยกรมมาทําความสะอาดปัดกวาดที่พักพาอาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเดินจงกรมจะกรมก็นั่งภาวนาแล้วกับพักพรการเดินนยกมรมภาวนาจุดนี้แหละสาคัญเรานึอคิดตัวใจของเราคิดไปในทางไหนคิดไปในทางโลกหรือคิดไปในทางธรรมใจของเราปุงฟุ้งไปยังไงไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเนี่แหละดูชู่กับใจแหละถึถ้ามันคิดไปทางโลกเอ้ยไม่ใช่เรื่องของพระนะ ไม่ใช่เรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราเป็นพระนะเราจะคิดออกนอกรูนอกทางอย่างนั้นไม่ได้นะใจนะนี่แหละในเรื่องพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนพระนควรจะคิดยังไงควรจะทําใจอย่างไรนี่แหละท่านให้ภาวนาดูใจของตนเองนี่แหละเป็นพระอไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วมาพูดเรื่องสเปเฮระเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องกินเรื่องเที่ยวสมัยก่อน แล้วออกมาพูดมากล่าวไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของพระเนี่ยพระที่เขามาบวชแล้วต้องดูจิตดูใจของตนเองมองใจของตนเองอยู่เสมอนี่แหละอันนี้คือการสู้กับอารมณ์การเป็นอยู่ของพระสงฆ์เพราะนั้นจึงหาคนบวชได้ยากนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะอยู่กินแบบสบายสบายไปใช่นะใครเข้าวสู้กับความนึกคิดของตนเองอยู่จะง่าย ปฏิบัติยังไงภาวนายังไงกําหนดลมหายใจเข้ายังไงถ้าว่าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธมันปูงฟุ้งไปข้านอกอา้าวบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธตลอด อ, อย่างน้อยก็ให้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเรามาปฏิบัติมาภาวนาเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบนิ่งจิตใจสงบแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราที่เราเลี้ยง มาตลอดนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนกันที่ว่าเนี่ยคนในสุดก็เกิดแก่เจ็บตายในที่สุดนี่เมื่อเราภาวนาเราจะรู้ได้ว่าร่างกายพระพุทธเจ้านี่ท่านเน้นหนักเรื่องไหนในการมาเป็นนักพรตนักบวชเข้ามาบวชหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดไหนเป็นหลักเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตเน้นหนักเรื่องของใจ ไม่ใช่เน้นหนักเรื่องของกายนะกายเนะี่ถึงจะเลี้ยงยังไงก็เถอะแกแล้วก็ได้เห็นผมงอกแล้วก็เห็นฟันหลุดแล้วก็เห็นหนังเหี่ยวแล้วก็ตาฝ้าฟางแล้วก็เห็นหูตึงเออพระเนสูรก็นะเห็นแต่เป็นนอนอยู่โรงพยาบาลลืมตาขยับขยื่อนตัวไม่ได้ถ้าไม่ตายง่ายนะก็เห็นอยู่อย่างนั้นอันนี้คือร่างกายพระเนสูรก็หมดหมดลมหายใจนั่นแนหะถึงจะเลี้ยงดีขนาดนี้นก็เถอะจุดจบของร่างกายคื อ, ค, อ, ค, อความตายแต่เมื่อตายแล้วไม่จบทีนี้ นี่แหะพราะผู้ใเจ้าทว่าตายแล้วไม่จบตายแล้วจะออกจากร่างอีกสิ่งที่ออกจากร่างนั่นคืออะไรคือวิญญาณคือใจหรือผู้รู้หรือนามธรรมแต่ท่านเรียกเป็นหลายหลายไวัยพจนะท่านเรียกเป็นหลายอย่างแต่ตามไม่จริงคืออันเดียวกันคือตัวผู้รู้อยู่นั่นแหะเมื่อออกจากร่างเมื่อเผาร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยตัวนั้นออกไปหาเกิดไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆไปหาบางทีถ้าบอกผู้ใดมีบุญ ได้สร้างบุญสร้างคุศสเอาไว้ทําความดีเอาไว้วเวนี่ยดูในเป็นมนุษย์เนี่ยมีแต่สร้างแต่คุณงามความดีเมื่อออกจากร่างนี้แล้วก็นใจตรงนั้นเป็นผู้มีบุญและจะไปหาเกิดที่ไหนไปหาเกิดในภพภูมิใดไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเทวดาก็ได้อินพรหมก็ได้ถ้าชําระใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วเข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทางแล้วจุดประสงค์ของพุทธะ ศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานะมันมีหลายระดับนะ อ, อ, อันดับแรกก็คือเพียงแต่ว่าเรานับถือเรื่อมใสยึดพระไตรสลนาคมเป็นสรณาเป็นที่พึ่งเพียงแค่นี้ก็เป็นที่อุ่นใจในระดับหนึ่งแต่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปรอบปฏิบัติจนได้สำเร็จมักเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาอนาคาอารหันคารวาสเป็นได้ไม่เป็นได้ ไม่ใช่แต่พระนะไม่ใช่พระผูกขาดไม่ใช่นะแต่ทําไมพระจึงจึงได้มาบวชก็เพราะว่าพระถ้าเราเป็นฆราวาสเนี่ยมันมีภาระหน้าที่การงานมากที่จะภาวนาทําจิตใจให้สงบนั่นนะ่ะมันยากนะมันยากเพราะภารหน้าที่ของเรามันมันมีมากเพราะฉะนั้นจึงตัดตัดหน้าที่การงานภายนอกออกแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาเพื่อจะได้บําเพ็ญ ศีลสมาธิปัญญาเนีอันนี้คือหน้าที่ของพระคือรักษาศีลรักษาศีล227คือสําเร็จกับรักษาศีลสิบศีลสมาธิเมื่อรักษาศีลแล้วก็สมาธิจะจนั่งก็เดินวิปัสสนาปัญญาแต่สําหรับฆราวาสญาติโยมพระพุทธเจ้าทุกคนมีภาระมากควรจะบําเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทานพวกเราทําการทํางาน ทํามาค้าขายเมื่อใดจะถูกปัจจัยมาแล้วก่อนเน่ยะเสียสละต่อพ่อแม่ให้กับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและก็ทําบุญในพระพุทธศาสนาอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นคราวาญญาติโยมเมื่อได้ทําบุญทําทานได้ทำมาค้าขายมาแล้วเมื่อได้เงินมาแล้วก่อนรู้จักแบ่งให้รู้จักแบ่งเป็นส่วนชวนอย่างที่ ในพระไตรปิฎกในชาดกนะที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นคนทุ ก, กตะนะในสมัยหนึ่งพระองค์พระองค์เคยเป็นนะเคยเป็นเศรษฐีก็เคยเป็นกษัตริก็เคยเป็นเป็นช้างม้าวัวควายเป็นมดนะพระพุทธเจ้าของเรานะเฉวยพระชาตินะแต่สมัยนั้นชาติหนึ่งพระองค์เป็นคนทุ ก, กตะเป็นคนยากจนเพอเป็นคนยากจนพระองค์ก่อนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ ไม่ยออ่อท้อแต่ขยันนะแต่ยากจนอยู่แต่ขยันนะพ่อแม่เกิดมาตระกูลยากจนแต่ขยันพ่อก็ยนกับทำมากไปหาฟืนมาขายได้เกวียนอได้บวกล้อแลยกัได้เกวียนเลยก็บน น, น, น, อ, นออกไปหาอยู่ในบ้านนอกไปขนฟืนเข้ามาขายในเมืองคงจะมาขายเป็นแบบก๋วยจ๋งก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคนที่ซื้อฟืนก็มีสมัยนะั้น พอมาขายได้เงินได้เงินกับแบ่งเป็นส่วนๆแต่นี้พระเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จรอบเมืองนะประเจบแผ่นดินกรุงพาราณสีเนี่ะพอเสด็จเป็นะ ร, ปรอบเมืองไปเห็นทุกปร ะ, ะบางทีพระ อ, องค์ก็ปลอมพระ อ, องค์ปลอมแปลงพระ อ, องค์เป็นสามัญชนเพื่อจะไปดูการเป็นอยู่ของผี่น้องประชาชนเพราะพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นนะท่านไม่ได้อยู่แต่ในเวียงในวงังอย่างเดียวนะท่านสอดส่องดูว่าจะมีอะไร จะมีใครแสดงปฏิกิริยาอย่างไรไม่เหมือนทุกวันในทวั น, ม, นมันมีทั้งโซเชียลมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้งวิวทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มันมีหลายอย่างที่ให้ข่าวนะแต่สมัยก่อนต้องไปดูถ้าจะให้ลูกน้องไปดูอย่างเดียวท่านก็ไม่ไว้ใจต้องเสด็จไปดูด้วยอต้องสอดแนมดูเหตุการณ์แต่นี้พระเจ้าแผ่นดินก็ดูไปเอ๊ะตุ ก, กะตะคนนี่นะ่ะ มันแก่ฟืนมาขายผลี่สุดมันแก่ไม่ยังไม่แก่ธรรมดานะเอาขนฟืนใส่เกวียนแล้วมันยังแบกใส่บามันอีกเพราะแบกเสบ่าอีกยังหำร้องล้ำทําเพลงอีกว่างั้ยเถิอสนุกสนานมันนั่งเกวียนมาเอพระเจ้าแผ่นดินเห็นเอ๊ะอันนี้มันมันเศรษฐกิจมันเป็นยังไงวะเพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นผู้ปกครองใช่ัหมท่านก็อยากจะรู้ว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของพระองค์เป็นยังไง ท่านก็นเลยเรียกว่าเอ้ทุกกะตะมานี่ยเขาเรียกมาเนี่ยคถามว่าเป็นไงขายฟืนขายดีอยู่ครับได้กําไรดีพอส่งควรครับแต่เมื่อตะแก่ขายแล้วนะ่ะตะแก่เอาไปเงินไปไว้ที่ไหนะเก็บไว้ยังไงเงินที่เอาไปขายนะั่นผมแบ่งเป็นส่วนๆครับเอาแบ่งยังไงแบ่งเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งผมก็เอาไปฝังดินครับ ส่วนหนึ่งผมเอาไปบูชาเทวดาครับส่วนหนึ่งผมเอาไปโยนลงน้ำมหาสมุทรทะเลครับส่วนหนึ่งผมให้งูเหา่างูจงอางกินครับฮะแกพูดจะใ น, นเหมือนกับพูดเป็นปริศนาวะพูดตรงๆสิว่าให้เราได้ทราบด้วยว่าเป็นสี่ส่วนมันแบ่งยังไงบครับที่ผมโยนลงน้ำมหาสมุทรทะเลเคือผมกินเอง ถมเท่าไรก็ไม่รู้จักพอกินวันนี้ละวันพุ่งนั้นกูวันพุ่งนี้ก็หิวกูกินเอง ก, กินอง ก, กินเองเหมือนกระโยนลงมาหาสมุทรทะเลหามาได้ถมเท่าไหรก็ไม่รู้จักเต็มอันนี้แหะคือสมบัติที่ขายฟืนได้มานะโยนลงน้ํามหาสมุทรทะเลคือกินเองแล้วฝังดินล่ะที่ฝังดินนั่นคือผมฝากฝังไว้ในบุญกุศลที่จะขุดเคีย่ยวต่อไปภายภาคหน้า ถ้าว่ามีพบมีชาติขึ้นมาผมก็จะได้บุญกุศลได้กินทรัพย์สมบัติที่ไปฝังไวเ้เพื่อใช้ต่อไปภายภาคหน้ า, าให้เป็นสมบัติของตอนเองอันนี้ก็คือการทําบุญทําบุญทําทานสร้างสาธารณประโยชน์จริงที่เป็นประโยชน์หาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอันนี้ก็คือฝังดินบูชาเทวดาละ่ะ บูชาเทวดาคือพ่อแม่ที่เลี้ยงกระผมมาเนี่ยผมจ้องตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่ด้วยเพราะว่าท่านเลี้ยงรูเรามาแล้วก็ต้องแลเลี้ยงท่านตอบเราก็ต้องให้เงินคําให้เงินสิ่งของของท่านที่ท่านมีความจำเป็นอันนี้คือบูชาเทวดาแล้วให้งูเห่างูจงอางกินล่ะงูเห่างูสางงูจงอางกินล่ะไม่ได้ให้งูได้ยังไงที่ให งูเห่างูจงอางให้งูสากินเพราะว่าผมได้มาแล้วก็ต้องแบ่งให้ลูกให้เมียว่าไงนะให้ฟังฟังเอาไว้นะลูกเมียนคือมึงงูเห่างูจงอางเลยถ้าว่าไม่ให้ไม่ได้มันกกมันกัดมันฉกว่าไงเถอะลูกหลานฟังฟังเอาไว้นะต้องเลี้ยงดูปูเสือให้ดีว่าันไงถ้าให้ลูกไม่ด <ă s. S 1> ีลูกก <g Haz. S 1> <t> ็จะด่าพ่อใช่ไหมถ้าให้เมียไม่ดีเมียก็จะด่าพ่ออีกใช่ไหมด่าผัวอีกใช่ไหมเพราะนั้น ทุกาตะเขาก็เลยบอกว่าเลี้ยงงูให้งูเห่างูสางูจงอางเนี่ยคือให้ลูกให้เมียเพื่อไม่ให้มันมันมีปากมีเสียงมาโมาฉกมากัดมา น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือในค้งพุทธการ chi, ในค้งพระ พ, พุทธเจา้าจนเป็นชาดกขึ้นมาคือการได้เงิ น, งนมาเนี่ยต้องรู้จักแบ่งรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้อันนี้ละงานให้คือครวญญาติโยม ขอให้พวกเราทุกคนนะที่ปลพองพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้ฟังเนี่ยคือการเป ร, เปรียบเทียบในชาดกเพราะการเป็นคราวญาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอู้ฟู่อย่างเดียวไม่ใช่ถึงข่าวอับจนมันก็มีเพราะนั้นเราต้องเก็บฝังดินไว้เข้าธนาคารเอาไวเ้เพื่ออนาคตของเราจะได้ใช้อันนี้แหละคือสําหรับคราวญาจากนั้นก็ทํารรรบุญในพระพุทธศาสนาตามสมมาสมควร ตามที่พวกเราเห็นว่าไม่เดือดร้อนตนการทําทานจําเป็นนะจําเป็นถ้าว่าเราไม่คนใดก็ตามถ้าได้มามีจะกินใส่ปากใส่ปากใส่ท้องเหมือนกระโยนลงน้ํมามหาสมุทรทะเลแล้วอเ น, นสงต่อไปภายภาคหน้าแหะถ้าว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าละ่ะอนเนสงทานไม่มีนะจนาญญาจจนะศรัทธาญาติโยมน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วได้ตัดไว้แล้วว่าที่เราตถาคต ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือ ว, ว่ามีความร่ํารวยขนาดนี้มีความผาสุก ข, ขนาดนี้ม่ใช่อื่นไก่คืออันนี้สงสีน์อันนี้สงทานอันนี้สงทานอันนี้สงสีน์ของเราตถาคตนั่นเองเป็นเพื่องเป็นเครื่องเกื้อกูลนุนเพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะมากหรือน้อยพวกเราก็ควรจะทําบุญนะทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาที่จะเกิดประโยชน์อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าว สิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราทำทานเ น, นี่ยเรื่องทานก็จําเป็นและก็เรื่องศีลสําหรับฆราวาสญาจวงคือศีลห้านะที่หลวงพ่อเน้นหนักคือศีลห้านะว่าอันิี้สงของศีลท่าอันนี้สงของศีล ข, ของเราดีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคนจะหาเรื่องหาเร า, เาที่เราจะาไปมีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่มีอันนี้สงศสีลคุ้มครองอันนี้สงศีลในชาตินี้ก็คืออะไร ข้าพเจ้าไม่คิดฆ่าคนอื่นไม่คิดฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็มองดูชีวิตของเรานะถ้าเรารักชีวิตของเราสัตว์อื่นคนอื่นจะเป็นใครก็าตามเขาก็รักชีวิตของเขาเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยเราคิดเขาเรานะเรารักชีวิตเช่นไรสัตว์อื่นคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าให้รักษาศีลอย่าไปคิดฆ่าคนอื่นเขา อย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาเมื่อเขาไปขโมยของเขาเออของที่เขารักสงวนห่วงแหนเท่าไหรเพชรนินจินดาอยู่ในตู้เซฟเราไปงัดไปป้นของเขาเอาไปเราไปรักขโมยของเขาไปเขาก็เสียใจยถ้าเราเขอมาขโมยของเราละ่ะเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยการของมวลมนุษย์ชาติถ้าว่ามีการขัดมีการขโมยกัน จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งคนนี้มีเงินเอาไปไปจับพ่อแม่เขาหลุกรานเขาเสามีภรรยาของเขาไปเรียกค่าไทยถ้าคนไหนรวยขึ้นมาเอา้าไปจับไปเรียกค่าไทยแล้วการขโมยกั น, นะจะเดือดร้อนไปทุกหัวละแห่งต่างคนต่างระเวงระวังต่างคนก็ต่างสะสมจัตรอาวุธ เพื่อป้องกันตัวเอาไว้เนี่แหละโลกทั้งโลกจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยแหละเรื่องศิลข้อที่หนึ่งก็ดีการฆ่ากันก็ดีต้องเตรียมพร้อมรักษาตนการขโมยก็เหมือนกันเราก็ต้องรักษาตนแล้วก็ข้อที่สมกาเมสุมิสาจา์จาราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเข า, ข อ, เ ข, า ข, อขอรักสมวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเราก็เสียใจ ถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินห้าของสําหรับคารวาสญาติโยมนะข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเจ้าต้มตุนหลอกลวงโกหกคนอื่นเขามันไม่เป็นผลดีคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นอีกน ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นเรื่องศิลข้อที่สีนี่ก็ เป็นสินที่อันตรายมากสินข้อหนึ่งเหมือนกัน เ, เราไม่มีเงินไปเขียนเช็คแดงให้เขาเนี่ยถ้าน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นมากๆหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันลา้านน่ยตายกิบหาย เ, เสียหายหมดเลยนี่แหละคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อกันแต่ก่อนก็เป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจซื่อสัตย์ต่อกันพอเอาเข้าจริงๆริงนะเนีเขียนทําอย่างนั้นขึ้นมาเนยตายเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจออทํำยังไงเสียหาย คิดค่ากันได้ล่ไหมเนี่ยนี่แหละศินห้าของพระพุทธเจ้าพวกเราคิดดูสี่ข้อนี่นะคิดค่ากันคิดขโมยกันเขารบสิทธิ์สามีภรรยากันโกหกกันศิลสี่ข้อนี่มาเรามาพิจารณาดูแล้วนะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนะนี่ยดึกศินนะจากนั้นก็ข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโลอินคันชงคัญชายาบ้ายามาจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามถ้าเราเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะราราประรวงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้สินข้อที่ห้าเป็นศินอันตราย อย่างมากข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะฉนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสบอกไว้เลยว่าศีลห้านี่แหละจะทําให้โลกทั้งโรคร่มเย็นเป็นสุขศีลห้านี่แหละจะปิดอาวาัยวภูมิไม่ให้คนตกนรกไม่ให้คนเข้าคุก อ, อคนเข้าคุก ก, ก็ไม่เข้าถ้ามีศีลห้านะถ้าขาดศีลห้าแล้วนะ่ะมีโอกาสที่จะเข้าคุกเข้าตารางได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน น, ะนั่นแหละคือศีลทานศีล ชวนภาวนาที่ทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระครั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งฝ่ายฆราวาสญาติโยมด้วยไม่ใช่แต่คอยพระอย่างเดียวนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายโดยมากที่จะรณให้พระกรรมฐานพระป่าที่เดินกรมนั่งภาวนาตัวเองไม่เคยทําอันนั้นไม่ถูกนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนการภาวนาที่จะทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งนี่แหละเป็นบุญกุศลมหาศาลเลย อยู่ในบ้านของเราก็ทําได้ไม่ได้ทําได้ก่อนหลับก่อนนอนวันไหนว่างๆแล้วก็ไหว้พระสกุลอรหังสวากาโตสุปฏิปโน่จากนั้นกันนมโม ต, ตัสสะพระขวัโต่สามครั้งนมโมตัสสะให้ขวัตข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้นนมโมสามจบนะจากนั้นเราทํา ม, มามากกว่านั้นกับพุทธทางธรรมังสังขังสรรารังคัฉามิ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 อย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาะทุกๆดวงวิญญาณทุกๆกดวงใจด้วยเธอเนะี่ยอันนี้คือเราแผ่เมตตาเป็นภาษาใจนะ เ, เหมือนกับอหางสุกิโตโฮมินิตะโหโฮมินะแต่นี่เราแปลไม่ได้นะเอาเป็นภาษาใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละาจากนั้นเราก็นั่งภาวนาจะข้าหน้าที่สิบนาทีก็ได้เวลานั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้นั่งเหมือนกับพระประธานนี่ก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะแต่หาหมุมสงบนะเวลานั่งสมาธินะ ให้ปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุโทรทัศน์ให้อยู่ในความสงบที่สุดเป็นเอกเทศที่สุดอยู่ในห้องแอร์นะไม่ต้องมีเสียงใครละ่ะอยู่ในห้องแอร์ปิดประตูเรียบร้อยแลยก็ไหวพ้พระอะก็นั่งภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทนะอันนี้แหละวิธีการภาวนาเมื่อทำเมื่อเราทำหลายครั้งต่อหลายหนเราก็จิตใจของเราจะได้รับความสงบ จิตใจจะ น, นัง่งพอจิตใจสงบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านไป น, นั่งอยู่ที่โคลนตนน้นโพน่ะที่นั่นท่านนั่งคัตมาทิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, เกิดญานรัตนะ เ, เกิดฌาน เ, าเกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละอันนี้คือพุทธะแต่พวกเราท่านทั้งหลายแนวแถวสายหลงปู่มั่นหลงปู่มั่นหลงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าแนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวพวกเราท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้ามันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงส้นหลงเงื่อนได้ง่ายให้สำทัพกับพุทโธโดยเน้อยึดพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าบริกรรมพุท ใ่ออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทรเนี่ยให้บริกรรมอย่างนี้เนะาะทบริกรรมอย่างนี้จิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเออเป็นหนึ่งจิตใจเป็นสมาธิแล้วมีความสุขนะนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรา พวกเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้พ่อแม่ครูบ า, า อ, อบาจารย์ท่านอยู่ป่ารงพงไพนี่ท่านปฏิบัติอย่างนี้นอนจากนั้นมาความหมั่นความขยันก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราจิตสงบแล้วะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะคณาธททายาจโยมพระเนรลูกหลานถ้าเรายังไม่จิตใจยังไม่สงบเราจะตัดสินใจไม่ได้ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูนสูนตายแล้วสูนแล้ตายแล้วเกิดเรายังไม่มั่นใจเล แต่เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งมันแยกออกชัดเจนเลยะมันแยกออกชัดเจนเหมือนกับร่างกายเนี่เหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อพี่เปรียบเทียบจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมันคนละอันกันเลยเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอย่างกันเลยเห็นได้ชัดเจนเลยนะนี่แหละในเรื่องร่างกายเนี่ยต้องถูกเผาไฟแ น, แน่แต่ส่วนนนตัวส่วนซเฟอร์รถน่ น, นะที่จะออกจากร่างไปเกิดที่ใหม่แต่รถ แต่โซเฟอร์คันนั้นเป็นคนมีบุญหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้นะเออห้ว่าท่านจะให้ความสําคัญว่าร่างกายมีอยู่สองรูปธรรมและนามธรรมท่านจะให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเนี่ยคือมโนหรือว่าจิตหรือวิญญาณหรือตัวผู้รู้จะตั้งชื่อยังไงก็ได้แต่อันเดียวกันน่ะคือตัวผู้รู้อย่างมโนปุพังขมาธรรมา มโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนะเ่เมื่อใจออกจากร่างมโนตอนนี้ออกจากร่างนะจะไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆทีไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ช้างมาววว้าวัวควายเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นทำไมยังเป็นได้อย่างพวกเรานี่นะพอออกมาจากเมืองเมืองไทยไม่มีเงินใช่ไมไปประเทศลาวไปเป็นประเทศเขมรเป็นคนก็จริงยุ่ แต่ไม่มีเงินผลได้ถูกคนเราไปหากินเหมือนหมาไปหาถิง่งเทเกียขยะเข้ากินอันนี้คือคือคนไม่มีเงินถ้าคนมีเงินไปโอ้เข้าไปมีแต่คนต้อนรับขับสู้เออไปจะให้ตรงแรมไหนจะซื้ออะไรจะทําอะไร เ, เงินเป็นฟ่อนฟอนเลยเลยใครใครก็ต้อนรับขับสู้ดีไปหมดุดเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเนี่ยแหละคนมีบุญกับคนมีเงินกับลักษณะอย่างนั้นอ่ะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ถ้าเราคนไม่มีบุญแล้วนะ่ะไปเกิดออกจากร่างนี้ไปนะคนไม่เคยสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่เชื่ออีกต่างหากพอตายแล้วตายแล้วศูนย์ทำดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วหรอกอพอคนที่สุดพ อ, พ อ, พ อ, พอตายไปแล้วแต่เนะ่ยกรรมชั่วให้ผลเพราะตัวเองต้ไม่ได้คิดสั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะนั่นแหละพ่อออกจากร่างนี้แล้วก็นนะอ า, อาจจะไปเกิดเป็นชัตทิรชนัน ขนาดเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นพระกรรมฐานแท้ๆตายไปยังไปเป็นเล่นเพราะอะไรเพราะห่วงผ้าจีบอนนี่แหละไม่นด้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นพวกเรามีมีห่วงหลายห่วงไหมมีมากมายที่พวกเราจะองห่วงห่วงไร่ห่วงนาห่วงรั่วห่วงสวนห่วงอะไรต่อมีอะไรแต่ไปเป็นพระสงฆ์ก็เถอนเิอท่านก็ไม่ให้ตัดให้ตัดห่วงออกไม่ให้คิดยึด ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราวัดวาศาสนาจะเป็นของเราได้อย่างไรอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่ออยู่ในวัดมีพระมีเนมีวัดวาศาสนากว้างขวางเนีหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการแต่หลวงพ่อในใจของหลวงพ่อลึกๆนะหลวงพ่อบอกเอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยเอออันนี้คือหน้าที่เราจะต้องจัดการต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายหลวงพ่ออินเขาจะต้องเผาไฟทิ้งนะ ขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังเผาไฟทิ้งวัดว่าศาสนาศาลาหลังนี้เนี่ยจะเป็นของอหลวงพ่ออินได้อย่างไรหลวงพ่ออินต้องไปตามลําพังถ้าหลวงพ่ออินชําระกิเลสได้หลวงพ่ออินก็เข้าสู่นิพพานถ้าหากว่ายังไม่ชําระไม่ได้จะไปไปในภพภูมิใดเป็นพระนาคาพระนาคาสกทาคาหรือปะโสดาเออหรือว่าเป็นปุถุชนรู้แก่ใจของพวกเราทุกๆคนนะหลงวงพ่อเองก็รู้แก่ใจอีกเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้ประกอบคุณงามความดีพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้หาได้ยากนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆนะเกิดมาผิดที่ผิดทางพวกเราเห็นไหมใน Facebook โซเชียลไปเห็นคนนอนอยู่กลางลานตัวดำๆหิวอาหารไม่มีอันจะกิน ถ้าว่าพวกเราไปเกิดอย่างนั้นะเป็นยังไงอันนี้พวกเราน้นว่าโชคดีอย่างมากได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเป็นผู้มีบุญนะแต่เมื่อมีบุญก็เถิดถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทอาจจะทะเลถลามถลายไปเกิดในภพภูมินั้นพวกเราก็จงได้รับโทษทุกทุกโทษ อ, อย่างที่เราได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นพวกเรานับว่าโชคดีแล้วเกิดมาในชาตินี้ภพนี้ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเน้อคณะสัา ญ, ญาติโยมนะ้ตอต่อนี้ไปหลวงพ่อได้กล่าวในสำโมทธนิจากถฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อรูภภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครอง อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยมาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ